พระธรรมเทศนาแผ่นที่109ราลำดับที่12โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่าหนาคคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่13กรกฎาคม2560มีชื่อเรื่องว่าเก็บหอมรอมริบจนกว่าจะเต็มเสียงประกาศตามสายแต่ละเช้า มันก็ดีส่วนหนึ่งเพราะเราไม่ต้องพูดแต่ก่อ น, นมาล้วก็ต้องไปพูดกันมันมีปัญหาขึ้นมาแล้วยังไปบอกกันมันเสียความรู้สึกทั้งผู้บอกเสียความรู้สึกทั้งผู้ถูกบอกถ้าประกาศไว้ก่อนแล้วเนี่ยทุกคนก็เห็นรับรู้รับทราบเราก็ปฏิบัติตามอย่างที่ได้ รับปรบสาบนั้นวันนี้เป็นวันที่สิบสามกรกฎาคมพุทธศักราช2560หลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นหัวหน้าก็ได้มองมองการเป็นอยู่ของพระลูกหลานเป็นอันดับแรก เรื่องปัจจัยสี่ก็ไม่มีปัญหาคิดว่าช่วยกันดูเรื่องการอบรมแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวอันนี้หลวงพ่อก็คิดว่าในใจของหลวงพ่อนะเพราะว่าเครื่องอำนวยความสะดวกในการศึกษาของเราเนี่มีมากทำไมถึงว่ามีมากเพราะว่า ส, สถานีวิทยุเสียงธรรมขององค์หลวงตาเนี่ยอยู่ในวัดของเราแต่กลางวันก็ใช่ท่านเทศนาว่าการลาหลายๆแนวทาง ส, ส, สำหรับศรัทธา ญ, ญาติโยมบัางอะไรบ้างใครว่กแกงหม้อใหญ่ตอนกลางวันแล้วก็ครูบาอาจารย์มีหลายองค์ที่แสดงธรรมเราจะฟังก็ได้ฟังเป็น แนวความคิดเพื่อประดับสติปัญญาของเราแนวความคิดของครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวแต่อยากจะเน้นหนักกลางคืนตั้งแต่พระวัดป่าบ้านตาทำวัดเสร็จทาวัดเย็นเสร็จสองทุ่มตั้งแต่สองทุ่มแล้วไปองค์หลวงตาจะอบพรมอบพรมพระอะครเข้าแกงหม้อจิว๋วลนี อบรมพระบางคันบางกันก็รู้สึกว่าเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเข้มขน้นฟังดูแล้วก็ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาถึงแต่เทศมานานเป็นสี่สามสามสิบสีสิบปีแล้วก็เถอะนะแต่เรามาฟังดูแล้วมันก็ยังทันกิเลสในยุคปัจจุบันอันนี้เราก็ฟังแต่าการฟังเทศ หลวงพ่อเองก็ไม่อยากจะให้ฟังแบบตรึเปิดเปิงเปิดวิทยุทั้งนอนหลับไปด้วยทั้งฟังไปด้วยก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าถ้าฟังลักษณะนั้นแปลว่าฟังเข้าไปแล้วมันจะดื้อด้านใจมันด้านมันเทน้าไม่ลงมันมันไม่ไม่ซึมซับมันเป็นของธรรมดาธรรมดาไปมันเป็นของไม่สำคัญไป เพราะอะไรเพราะมันด้านมันมันไม่นํามาคิดไม่นํามาพิจารณาการกรองไตรตรองเหตุและผลในเรืในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นไม่อยากจะให้ฟังแบบตระัดเปิดเปิงนะถ้าฟังแก็ตั้งใจฟังนั่งฟังนั่งคัตมาทิฟังนั่งพับเพียบฟังนั่งเก้าอี้ฟังแต่อย่าเอาวิทยุของเราไว้ที่ต่ํา เขาไว้ที่สูงกว่าที่ตนเองนั่งแสดงท่าเคารพในการฟังธรรมนี่แหละการฟังธรรมจะเกิดประโยชน์สำหรับผู้ได้ยินได้ฟังพอได้ยินเปิดขึ้นมาแล้วก็ฟังตั้งใจฟังพอฟังแล้วก็ปิดนะกับการฟังธรรมอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเราฟังเพื่อจา ห, หรือฟังเพื่อรู้นะ ถ้าฟังเพื่อจำนะครับตั้งแต่แสดงทำขึ้นมาแล้วก็จดจำเอาไว้ว่าหลวงตาพูดอะไรกูบาอาจารย์พูดอะไร เ, เหมือนกับบันทึกในเทปหรือ ว, ว่าบันทึกเครื่องบันทึกเสียงลักษณะอย่างนั้นอันนั้นประวัติฟังเพื่อจําแต่ฟังเพื่อรู้เนี่ยพอฟังเข้าไปแล้วก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางเข้าใจปล่อยวางสิ่งไหนที่เราเรารู้แล้วเราปฏิบัติได้แล้ว เราก็รู้แล้วก็วางแต่เสียงไหนที่เรายังไม่เคยได้ยินได้ฟังหระหว่าเราได้ยินได้ฟังแล้วจุดนั้นอ่ะเป็นจุดที่เราจะต้องปรปับปรุงกายใจของเราปรปับปรุงใจของเราเราก็ต้องจดจ่อท่านจะทํำยังไงท่านจะพูดยังไงในจุดนี้ที่เราติดขัดอยู่ในจิตใจนะี่ยพอท่านพูดให้ฟังเราก็เข้าใจ เข้าใจเราควรจะปฏิบัติอย่างไรในขณะที่ท่านบอกกล่าวในจุดนั้นอันนี้ก็คือการฟังทำเพื่อให้เข้าใจเพื่อรู้จากนั้นก็จำนวนอื่นเราก็ไม่ได้คิดได้จำเอาไว้ว่อท่านพูดเรื่องอะไรเพราะเรารู้มาก่อนแล้ว น, ะนี่แหละอันนี้คือฟังทำฟังทำเพื่อรู้นะ เนี่ยพระในครั้งพุทธการในครั้งพระพุทธเจ้าที่ท่านแสดงธรรมโปรดพระสงฆ์หรืออุบาสกอุบาสิกาฟังธรรมจะฟังลักษณะเพื่อรู้มากกว่าเพื่อจำนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะมาอยู่ที่นี่อย่าไปคิดว่าห่างเหินจากครูบาอาจารย์ห่างเหินจากบัณฑิตนักปราชญ์ธรรมเทศนาที่หลวงพ่อได้เข้าไปศึกษากับองค์หลวงตาเป็นเวลา10กว่าปี กนนี้แที่เราได้เปิดฟังธรรมเทศนาของหลวงตานี่ยแะกลางคืนเนี่นะ เ, เทศตั้งแต่สองทุ่มถึงตีห้าแล้วเราจะฟังเทศกันไหนตื่นขึ้นมาแล้วก็นั่งภาวนาฟังพอ ฟ, ฟังแล้วก็ปิดพอจบกันหนึ่งแล้วก็ปิดเราก็ดูใจของตนเองกนะําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกถ้่านี้บริกรรมกรร ม, มาฐานาที่เราที่เราได้ศึกษา กำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพทรุทโธนี่ยนี่แหละอันนี้ก็คือการศึกษาส่วนหนึ่งจากนั้นตอนเช้าอย่างวันนี้อย่างทุกวันที่ผ่านมาหลวงพ่อก็พยายามแนะนำบอกกล่าวให้พวกพระเนรลูกหลานคณะสัทธาญาติโยมได้ยินได้ฟังวันละยี่สิบนาวันละยี่สิบนาทีบ้างยี่สิบยี่สิบกว่าบ้าง สามสิบกว่าเป็นส่วนน้อยที่พวกเราได้ยิ น, ยนได้ฟังถ้าหลวงพ่อไม่พูดตอนเช้าอย่างนี้พวกเรากคงจะไม่รู้จะได้ยินได้ฟังยังไงต่างคนก็ต่างห่างเหินกันไปที่หลวงพ่อเห็นว่าจุดไหนที่พวกเราควรจะได้รับรู้รับทราบเพราะพวกเราเข้ามาเพื่อศึกษาเข้ามาเพื่อเรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนาตามแนวแถวแนวแถ ว, แ ว, แวของ ครูบาอาจารย์พระป่าพระดงพระภาคปฏิบัติเราจะได้ยินอย่างไรหลวงพ่อก็พยายามหาแนวทางมาให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราเป็นพระผู้ใหญ่ขึ้นมาการบริหารการจัดการการดูแลการปฏิบัติศินปฏิบัติธรรมการปล่อยวางทางด้านจิตใจทําอย่างไรพวกเราก็จะได้รู้ แนวทางปฏิบัติเพราะผมเองหลวงพ่อเองได้ศึกษามานี่ยแะตามแนวแถวนี้หลวงพ่อคิดว่าเปิดเกตเกิดประโยชน์จึงได้พูดได้กล่าวนะแต่บางท่านบางคนเขาไม่จําเป็นจะต้องพูดหลวงพ่อมองไม่เห็นหนทางที่จะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ถ้าอย่าบ่นคิดว่าจะเฉลียวฉลาด มาได้โดยที่ไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับการได้ยินได้ฟังพวกเราไม่ต้องคิดอะไรมากไปซื้อเอาพระพุทธโลปมาจะ ก, กมาตั้งตั้ง่บวชเข้ามามากระอยู่มาอยู่กับพระพุทธโลปไม่ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์เพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยสยามภูรู้แจงอกเอาบ่อุบรุปของท่านมาตั้งไว้แล้วก็พอแล้วเราก็ฉลาดเองไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น มันต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอาศัยการศึกษาจากครูบาอาจารย์ภาวะพร ะ, พะสงฆ์สาวกที่ได้นําพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศเผยแผพว่หลวงพ่อเองมองเห็นจุดนี้นะจึงได้แนะนําบอกกล่าวให้พระลูกพระหลานจตหายาติโยมให้ได้ยินได้ฟังแต่คิดว่าการที่ไปพูดจะเลยดีไหมหลวงพ่อชอบนะอย่างที่หลวงพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น พอฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยลงพ่อก็เก็บเงียบตัวเองไม่ได้พูดจะพาทีอะไรถ้าตอนบ่ายถ้าหางว่าลงมาจุดนั้นก็อถ้าว่าศรัท ธ, ธาญาติโยมไม่มาเนี่ยเราก็สบายไปอีกแต่ําว่าศรัท ธ, ธาญาติโยมมาเป็นยังไงเราก็ต้องดูพุทธบริษัทจะต้องได้รับอก่อนการต้อนรับขับสู้เอถ้าศรัท ธ, ธาญาติโยมมา พุทธศาสนาไม่ใช่พุทธศาสนาของหลวงพ่ออินองค์เดียวมันต้องเผยแผ่ขยายผลแนะนําบอกกล่าวให้กับพุทธบริษัทมีอะไรเข้ามาทําบุญทําทานการดูแลวัดวาศาสนาถ้าว่าไม่มีพุทธบริษัทล่ะหลวเราจะอยู่ได้ไหมเราก็อยู่ไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะฉนั้นก็ต้องถึงจะลําบากก็ต้องเฉลือเผื่อแผ่ออกไปเพื่อจะได้เอ เป็นญาติธรรมในต่อไปภายภาคหน้านี่ยอันนี้ก็คือการการวางแนวแถวที่พวกเราอยู่ด้วยกันจะเป็นวัดวาศาสน า, าขึ้นมา เ, นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเข้ามาอยู่ที่นี่ของพ่อก็ย้อนมาจุดที่ว่าเราอย่าไปคิดวันด้อยในการศึกษาธรรมเทศนาคือหลวงตาเนี่ย เ, เป็นนักธรรมชั้นเอก ปริญญาเอกในการแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวแนะนําจนถึงมรรคผลนิพพานถ้าเราศึกษาดูแล้วเราจะรู้ได้เห็นได้ในการได้ยินได้ฟังจากนั้นตู้พระธรรมก็มีอยู่ในวัดของเราเราจะศึกษาเรื่องวิัย์ในกฎและเบียบ์อะไรก็มีใยในการศึกษาเรียนรู้แต่สําหรับหลวงพ่อเองเป็นผู้แนะแนว เป็นกองเสริมเป็นผู้ชี้ให้ฟังว่าควรจะทำจุดนั้นนะอย่างควรจะทางฟังธรรมเทศนาหลวงตานะอ่ควรจะดูหนังสืออ่านหนังสือเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยนะเพราะการอยู่เราเป็นพระเนะ่สิ่งเหล่านี้หลวงพ่อมีแต่เป็นผู้แนะแนวจากนั้นก็ให้ความคิดเห็นบ้างเออการภาวนาเนี่ยนะถึงยังไงก็ตามออบางทีได้ยินเสียง เ อ, อ MP 3อจากหนังสือจากอะไรแต่ก็ไม่ฟังดูแล้วก็ไม่ไม่ชัดเจนเออพอได้ยินจากหลวงพ่อและครูบาอาจารย์ที่เป็นคำสดๆออกมาเนี่ยได้ยินกับหูเนี่ยเราก็เอึ้งเข้าใจ เ, เข้าใจหรือว่ามั่นใจในการประพฤติปฏิบัติของเราสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วจะเป็นผู้เข้ามาศึกษา ควรจะแยกแยะแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติบางทีได้อันหนึ่งบางทีได้อันหนึ่งอย่างพระพระานนท์ทั้งที่ท่านบวชกับพระพุทธเจ้าเป็นน้องชายต่างมารดาน้องน้องชายเป็นลูกอาของพระพุทธเจ้าลูกของอานะพระอานนท์บวชกับพระพุทธเจ้าอยู่ต่างหาก แต่เมื่อท่านได้สําเร็จพระสัสรารบันท่านก็ได้สําเร็จกับพระมัณนฑนีนะทั้งที่ท่านจะได้สําเร็จกับพระพุทธเจ้านะเนะน่ยทำใครข่าว่า พ, พุทธเจ้าเทศทาไมพระพุทธเจ้าเทศทําไมพระสา พ, พระอานุ์จึงไม่ได้บัตรบรรลุธรรมก็เพราะว่าบางครั้งบางคราวเมื่อเราได้ยินได้องค์หนึ่งขึ้นมาไม่ว่าองค์ไหนละพอท่านพูดเข้ามามันถึงใจ เออพอมันถึงใจเข้ามาก็ตัดกิเลสได้ในช่วงนั้นอันนี้เป็นวิวการฟังกับครูบาอาจารย์ไม่ได้เลือกว่าผู้ใดใครก็ตามถ้าเราฟังเข้าไปแล้วถึงอัดถึงธทมถึงความปล่อยวางในจิตใจก็ได้สำเร็จมรรคผลแต่พระ อ, อนุนที่ท่านได้สำเร็จในเป็นพระอรหันท่านก็ได้ฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาจนพอแรง คลายก็ว่าเต็มเปี่ยมไม่รู้จะเอาเครื่องมือตัวไหนมาแก้กิเลสในใจของท่านท่านเกิดทำไม่จริงเมื่อถึงจุดนั้นท่านก็ได้ฟังหลวพุทธเจ้าเน้นจุดไหนอย่างไรท่านก็ได้ภาวนาในวันที่ได้ในบรรลุธรรมท่านก็ได้ภาวนาแล้วก็ท่านได้บรรลุธรรมเองในวันที่ไปชมสังขายนาที่ทำ วันที่จะประชุมในวันนั้นที่ซร่มถ้ำสัตบรรญัคูหากรุงราชคือนะนี่แหละอันนี้ก็คือการฟังธรรมเทศนาจากนั้นก็นํามาประพฤติธปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของเราสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการศึกษาอาศัยการได้ยินได้ฟังคราวนี้บางครั้งหน้าบางครั้งต่อต่อไปบ้างเรื่องที่ ผ, ผ่านมาบังประยุกต์นํามาประยุกต์ในการได้ยินได้ฟัง แต่ถึงยังไงก็ตนเองเนั่นแหละเป็นผู้ปฏิบัตินะถึงจะฟังมากขนาดไหนก็เถอะไม่ใช่ว่าฟังได้จะได้ได้สําเร็จได้ฟังได้สําเร็จใช่ในเมื่อฟังแล้วถ้าไม่นํามาคิดนํามาปรับปรุงแก้ไขใจของต น, นมันไม่ได้สําเร็จนะที่ว่าฟังแล้วได้สําเร็จก็คือเมื่อฟังแล้วนะย้อนมาหาตัวเองพอฟังแล้วย้อนมาหาตัวเองพอย้อนมาหาเรา ใจของเราเป็นยังไงในขณะนี้มันเต็มไปด้วยกิเลสโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะมันมีอยู่ไหมรักมีไหมโกรธมีไหมในใจของเราน่มองดูใจคนตนเองพอมองตัวใจตัวเองเกิดความเบื่อหน่ายคายสลัดทิ้งไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางเพราะมันมีแต่เรื่องของทุกข์ทางนั้นถ้าเรามายึดเข้าไปแล้ว พอปล่อยวางเท่านั้นท่านก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผล grip. สรุปแล้วก็คือตัวเองนั่นเองตัวเองนั่นแหละนามาปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าท่านฟังพ่อฟังแล้วจะได้รู้แล้วก็ได้สําเร็จไม่ใช่นะพอรู้แล้วก็นํามาซะก่อนมากันกรองตัวเองนะี่แหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะแต่ท่านทําไมได้สําเร็จเร็วเพราะว่าชวนาชวนะเรียวนะ่าความรู้ปัญญาของท่านเร็วมากนะผู้ที่จะได้สําเร็จ เพราะเหตุไรเพราะว่าท่านได้บําเพ็ญมาในอดีตชาตินมนานพอมาได้ฟังได้ยินได้ฟังเันะ่านั้นย้อนปั๊บเขมามหาจิตใจรู้เลยเหมือนกับคนหูหัวดีกับคนหัวถุยนะั่นะหละคนหัวดีครูพูดให้ฟังไม่กี่ประโยคเขาก็จําได้เขาเข้าใจได้แต่คนหัวถุยอนะธิบายแล้วอธิบายอีกอธิบายแล้วอธิบายอีกนะีนะ่เนีมันทําไมเป็นคนเหมือนกันทําไมไม่เหมือนกันสรุปแล้ว เราจะมามาพูดในปัจจุบันไม่ได้ต้องพูดถึงอดีตด้วยตามหลักธรรมคาสอนของพุทธะนะอดีตตาชาติของท่านให้บำเพ็ญมาบำเพ็ญคุณงามความดีบำเพ็ญเรื่อง ส, สติปัญญามาจนอย่างพวกเราบำเพ็ญอย่างเดียวนี้นะบาเพ็ญลุ่มลุกคลุกคานไปเลยแต่พอมาถึงขั้นจะได้สาเร็จนะเพราะตัวนี้อเ น, นิสงที่เราเคยประพฤติปฏิบัติไปะนะ มันเกื้อคุณหนุนเข้าไปพอได้ฟังเท่านั้นอ่ะอดีตชาติเราก็เคยปฏิบัติมาแล้วแล้วเคยนั่งภาวนามาแล้วสู้กันจ น, นมาแล้วพิจารณาจนมาพอแรงแล้วนะแต่มันไม่ตัดตัดไม่ไม่ขาดนะแต่พอได้วันที่ได้ตัดได้หมดกิเลสนะได้บรรลุธรรมมันกิเลสทมเหล่านี้นะที่เราเคยทามานะมันหนุนเข้าไปพิจารณาปก เมื่อใได้สำเร็จเมื่อได้สำเร็จจะว่าสำเร็จในขณะนั้นเดียวนั้นทีเดียวใ น, นวหลักทมคำสอนแล้วคบไม่น่าจะใช่ต้องเป็นอดีตชาติที่ได้บำเพ็ญคุณงามความดีมาจนท่วมทน้นจนมาขคงสุดท้ายก็ได้สำเร็จมกสำเร็จผลนี่แหละจะเป็นอันว่า สรุปแล้วก็คือการบําเพ็ญของพวกเราเนี่ยไม่เปล่านะไม่เปล่าประโยชน์การสร้างคุณงามความดีสะสมไปทีละน้อยละน้อยเนี่ยไม่เสียนะมันเปน็นเก็บหอมรอมริบไปเรื่อยจนถึงข้าวสุดท้ายแต่วา่ามันเต็มแล้วอนะ่ามันเต็มแล้วก็แปลว่าจบบริบูรณนะ์บริบูรณ์แล้วนะเนี่ยอันนี้เหมือนกันนั่นอนะ่ะที่พระพุทธเจ้าบําเพ็ญก็เหมือนกันมาเป็นบําเพ็ญตั้งแต่ทีแรกนะ จนผลสุดท้ายพระ อ, องค์ก็ได้สำเร็จได้ตัดสรุ้เป็นพระ อ, อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณมิใช่ว่าไม่มีในตำราเลยนะว่าเราไม่ได้บำเพ็ญมาเลยเราได้บำเพ็ญในชาตินึ่งชาติเดียวเราได้สาเร็จท่านมาตัดอย่างนั้นนะถ้าเราศึกษาในพระธรรมคำสอนแล้วก็บำเพ็ญมาไม่รู้เท่าเท่าไร่อเท่าไรลมลุกคลุกคลานมาสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มรอนๆอน บางทีก็เกิดเป็นคนหูหนวกตาบอดบ้าใบโคตหมดทุกอย่างเกิดเป็นสัดทีราชานก็ไม่รู้ว่าเท่าไหรเท่าเท่าไหร่เกิดเป็นบัณฑิตนักปราชญ์เจ้าฟ้าหมาหากษัตริย์เศรษฐีลาชาหมหาลาชาพระพุทธเจ้าเคยเกิดทั้งหมดตามประวัติชาดกหรือว่าแนวทางของพุท ธ, ธนะเพราะนั้นพวกเราจะเป็นใครถ้าไม่เดินตามแนวแถวนั้น พนักขอ่อยพวกเราทุกๆท่านนะการบำเพ็ญคุณงามความดีไม่เสียหายสรุปแล้วให้บำเพ็ญไปเรื่อยๆให้คิดดีทำดีพูดดีในเมื่อเราคิดดีทำดีพูดดีแล้วนี่แหละกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงนะจะพาพวกเราไปสู่ความสุขกายสุขใจเป็นอนันตาการจนพ้นทุกขเวทตะสงสารในที่สุดนะแต่ถึงยังไงก็เถอะนะ เรามาอยู่ณนะสถานที่อย่างนี้แห่งนี้นะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทการพูดการคุยกันให้น้อยที่สุดนะพยายามให้น้อยที่สุดพระพูดคุยกันมานานต่วนานแล้วมันได้ประโยชน์อะไรให้เราบวกลบคูณหารทบทวนดูเอาเถอะมาเขานี่มันมีเวลามันมีโอกาสแล้วนะสำหรับเราแล้วนะเรานะมีโอกาสแล้วนะ อ, อย่าอย่าทำให้โอกาสให้เสียนะ คำ ท, ที่ฟัง ท, ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนบอกว่าให้อยู่ตามลําพังนะให้พูดไทยน้อยนะให้มีให้จิตใจอยู่ในสมาธินะกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนะเวลาเดินก็ให้มีสติสัมปชัญญะนะเดินขาขวาพูดธขาซ้ายโทเวลานั่งให้มีพุโทโธให้มีความรู้สึกอยู่ในตัวว่าข้าพเจ้าอยู่ณ ส, สถานะไหนในขณะนี้อาการอย่างไรในขณะนี้มีสติอยู่กับตนเองตลอด จากนั้นก็กำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกโทนั่งให้นานาบังคับนั่งให้นานทดลองดูสิเรานั่งอย่างอื่นเราทําอย่างอื่นออกกําลังกายเงื่อแตกเงื่อไหลเราก็เคยทํามาแล้วแต่เรานั่งไม่ขยับเลยนะสักสองสาชั่วโมง4ีหชั่วโมงทดลองดูสิเป็นยังไงนี่แหละอยากจะให้พวกเร า, เากัดฟันหรือว่าทดลองดูนะ ถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความพยายามอีกสักวันหนึ่งนะใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจได้รับความสงบแล้วทอนนเออตาจริงออทําไมพระพุทธเจ้าพระหันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านถึงฉลาดจริงการทําจิตใจให้สงบแล้วมันมีความสุขจริงออมองดูอะไรมันเห็นได้ชัดทุกสิ่งทุกอย่างออสมกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงๆว่า น, นัตติสันติปรังสุขขัง ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจริงยอมรับในตัวของพวกเราท่านทั้งหลายเองนะต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรและพรนัตตินะ